สามปัจญานุโลมปัจจี่ยเหตุทุกข์กันในห้ารอาัอรมณปัจจัยกับเหตุทุปัจจัยมีเจดวาระนอธิปติปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีเจดวาระนอนันตรปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีเจดวาระนสมานันตรปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีเจดวาระ นัญญมัญญปัจจัยกับเพรทุปัจจัยมีสามวาระนอุปนิสยปัจจัยกับเพทุปัจจัยมีเจ็ดวาระนปุเรชาตปัจจัยกับเพรทุปัจจัยมีเจ็ดวาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับเพรทุปัจจัยมีเจดวาระนาอาเสวนปัจจัยกับเพรทุปัจจัยมีเจดวาระนากรรมปัจจัยกับเพรทุปัจจัยมีเจดวาระ นวิปากัปัจจัยกับเพรุปัจจัยมีเจดวาระนอาหารปัจจัยกับเพรุปัจจัยมีเจดวาระนอินทรีย์ปัจจัยกับเพทุปัจจัยมีเจ็ดวาระนาชาณปัจจัยกับเพทุปัจจัยมีเจดวาระนมรคปัจจัยกับเพทุปัจจัยมีเจดวาระนสัมปยุตตาปัจจัยกับเพรุปัจจัยมีสาวาระ นวิปยุตตาปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระนโนนัตถิปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีเจ็ดวาระนโนวิคตตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีเจ็ดวาระเหตุสามัญยคตนา551ณอารมามณปัจจัยกับปัจใจห้าคือเหตุสหชาตะนิยยะอธิและอวิคตตา มีเจ็ดวาระนาทิปติปัจจัยกับพระมีเจ็ดวาระณอนันตระปัจจัยกับพระมีเจ็ดวาระนสมารันตรปัจจัยกับพระมีเจ็ดวาระณอัญญมัญญาปัจจัยกับพระมีสามวาระนอุปนิสัยปัจจัยกับพระมีเจ็ดวาระนปุเรชาตปัจจัยกับพระมีเจ็ดวาระ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 นัชานปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระนมัคคปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระนสัมพยุตตปัจจัยกับละมีสามวาระนวิปยุตตปัจจัยกับละมีสามวาระโนนัตถปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระโนวิกตปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระนอารามณปัจจัยกับปัจจัยหก คือเหตุสหชาตะอัญญมัญญนิสยาติและอวิคตาณอธิปติปัจจัยกับปัจจัยหนั้นมีสามวาระณอนันตรปัจจัยกับปัจจัย6มีสามวาระณสมนันตรปัจจัยกับปัจจัย6มีสามวาระณุปนิสยาปัจจัยกับปัจจัย6มีสามวาระ นปุเรชาตปัจจัยกับปัจจัย6มีสาวาระนปัจฉาชาตาปัจจัยกับปัจจัย6มีสาวาระนาอาเสวนปัจจัยกับปัจจัย6มีสาวาระนากรรมปัจจัยกับปัจจัย6มีสาวาระนาวิปากับปัจจัยกับปัจจัย6มีสาวาระนาอาหารปัจจัยกับปัจจัย6มีสาวาระ นาอินทรียาปัจจัยกับปัจจัย6มีสวาระนชานปัจจัยกับปัจจัย6มี3วาระนมะขาปัจจัยกับปัจจัย6มีสวาระนสัมปยุตตปัจจัยกับปัจจัย6มี1วาระนวิปยุตตปัจจัยกับปัจจัย6มี3วาระโนนาทิปัจจัยกับปัจจัย6มีสวาระโนวิขตปัจจัยกับปัจจัย6มี3วาระ นอารามณปัจจัยกับปัจจัย7คือเหตุสหชาตะอัญญมัญญานิสยาสัมปยุตตาอติและอวิกตะมีสาวาระนัอธิปฏิปัจจัยนอนันตรปัจจัยนัสมนันตรปัจจัยนัอุปนิสยปัจจัยนัปุเรชาตปปัจจัยนัปชาชาตปปัจจัย นอาเสวนปัจจัยนักรรมปัจจัยนวิปากปัจจัยนอาหารปัจจัยนอินทรียปัจจัยนชาณปัจจัยนมะขะปัจจัยนวิปยุตตะปัจจัยโนนติปัจจัยโนวิกตปัจจัยทั้งหมดกับปัจจัย7มีอย่างประสามวาระนารามะนปัจจัยกับปัจจัย6คือเหตุสหชาตะ นิเสยวิปยุตตาอัติและอวิคตะมีสามวาระณอธิปติปัจณอานันตรปัจจัยณสมานันตรปัจจัยณอันยมัญญัปัจจัยณอุปนิสัยปัจจัยณปุเรชาตปัจจัยณปัจฉาชาตปัจจัยณอาเสวนปัจจัยณกรรมปัจจัยณวิปากปัจจัยณอาหารปัจจัยณอินทรียปัจจัยณชาณปัจจัย นามคคะปัจจัยนะัสสัมปยุตตะปัจจัยโนนัตติปัจจัยโนวิกตปัจจัยทั้งหมดนี้กับปัจจัย6มีอย่างละสามวาระในโนวิกตปัจจัยมีสามวาระในมงเล็บอวิปากาสีนะารามณปัจจัยกับปัจจัยหกคือเหตุสหาชาตะนิตยาวิปากาอนติและอวิคตะมีหนึ่งวาระ นาอธิปติปัจจัยนาอนันตรปัจจัยนาสัมันตรปัจจัยนาอัญญมัญญปัจจัยนาอุปนิเตยปัจจัยนาปุเรชาตปัจจัยนาปัจฉาชาตปัจจัยนาอาเสวนปัจจัยนากรรมปัจจัยนาอาหารปัจจัยนาอินทรียะปัจจัยนาชานปัจจัยนามะกะปัจจัยนาสัมปยุตตปัจจัยนาวิปยุตตปัจจัยโนนาฏิปัจจัยโนวิคตาปัจจัย กับปัจจัยหกดังกล่าวข้างตน้นมีอย่างละหนึ่งวาระณอารมณะปัจจัยกับปัจจัยเจ็ดคือเหตุสหาชาตะอัญญมัญญนิสยวิปากะอธิและอวิคตะมีหนึ่งวาระ นาอธิปฏิปัจจัยนาอนันตรปัจจัยนาสมนันตรปัจจัยนาอุปนิสัยปัจจัยนาปูเรชาตปัจจัยนาปัจฉาชาตปัจจัยนาอาเสวนปัจจัยนากรรมปัจจัยนาอาหารปัจจัยนาอินทรียาปัจจัยนาชานาปัจจัยนามรคปัจจัยนาสัมปยุตตปัจจัยนาวิปยุตตปัจจัยโนนาฏิปัจจัยโนวิคตปัจจัยทั้งหมดนี้กับ ปัจจัย7คือเหตุสหาชาตาิอัญญมัญญานิสยวิปากะอติและวิคตะมีอย่างละหนึ่งวาระณนะอารมณนะปัจจัยกับปัจจัย8คือเหตุสหาชาตาิอัญญามัญญนิสยวิปากะสัมปยุตาตาอติและอวิคตะมีหนึ่งวาระ นาอธิปัตยปัจจัยนาอนันตรปัจจัยนาสมนันตรปัจจัยนาอุปนิสัยปัจจัยนาปุเรชาตปัจจัยนาปัจฉาชาตปัจจัยนาอาเสวนปัจจัยนากรรมปัจจัยนาอาหารปัจจัยนาอินทรียะปัจจัยนาชานาปัจจัยนามักกปัจจัยนาวิปยุตตาปัจจัยโนนัตถิปัจจัยโนวิขตปัจจัยทั้งหมดนี้กับปัจจัยแปดคือเหตุ สหาัชชาะตาัญญามัญญานิสัยวิปากะสัมปยุตตาอัตติและอวิคตะมีอย่างละหนึ่งวาระณอารามณปัจจัยกับปัจจัยเจคือเหตุตุสหาชาตะนิสัยวิปากะวิปยุตตาอัตติและอวิคตะมีหนึ่งวาระณอธิปติปัจจัย นานันตรปัจจัยนะสมานันตรปัจจัยนะอัญญมัญญปบัจใจนะอุปนิสัยปัจัยนะปุเรชาตปัจจัยนะปัจฉาชาตปัจจัยนาอาสวนปัจจัยนากรรมมาบัจใจนาอาหารปัจจัยในาอินทรียาบัจัยนาใจนาบัดใจนามัคคะบัดใจนาสัมปยุตตปบัจใจโนนาทิปบัจใจโนวิคตปัจจัย ทั้งหมดนี้กับปัจจัยเจดคือเหตุสหาชาตะนิสยาวิปากวิปยุตตาอติและอวิคตะมีอย่างประหนึ่งวาระนาอารามณะปัจจัยกับปัจจัย8ดคือเหตุสหาชาตะอั ญ, ญมัญญนิสยาวิปากวิปยุตตาอติและอวิคตะมีหนึ่งวาระนอธิปฏิปัจจัย นาอนันตรปัจจัยนาสมนันตรปัจจัยนาอุปนิสัยปัจจัยนาปูเรชาตปัจจัยนาปัจชาชาตปัจจัยนาอาเสวนปัจจัยนากรรมปัจจัยนาอาหารปัจจัยนาอินทรียปัจจัยนาชานาปัจจัยนามัคคปัจจัยนาสัมปยุตตาปัจจัยโนนาติปัจจัยโนวิกตปัจจัย ทั้งหมดนี้กับปัจจัย8คือเหตุสหาชชตะอัญญามัญญะนิสยาวิปากวิปยุตตะอติราวิคตะมีอย่างละหนึ่งวาระในโนวิคตะปัจจัยนั้นก็มีหนึ่งวาระในวงเล็บสวิปากะ5สอินทริยะมัคัตนา 5้รารอห้าสณอารมณปัจจัยกับปัจจัยเจคือเหตุสหาชาตะนิสยอินทริยะมคะอธิและอวิคตะมีสี่วาระณธิปติปัจจัยกับละมีสี่วาระณอนันตรปัจจัยกับปัจจัย7มีสี่วาระนสมานันตรปัจจัยกับปัจจัยเจมีสี่วาระ นาอัญญมัญญปัจจัยกับปัจจัยเจ็มีสองวาระนาปนิสยปัจจัยกับปัจจัยเจ็ดมีสี่วาระนปุเรชาตปัจจัยกับปัจจัยเจ็ดข้างต้นมีสี่วาระนปัจชาชาตปัจจัยกับปัจจัยเจ็ดข้างต้นมีสี่วาระนาอาเสวนปัจจัยกับปัจจัยเจ็ดข้างต้นมี4ี่วาระนากรรมมปัจจัยกับปัจจัย7ข้างต้นมีสี่วาระนาวิปากปัจจัยกับปัจจัยเจ็ดข้างต้นมีสี่วาระ นอาหารปัจัยกับปัจใจเจ็ดข้างต้นมี4ี่วาระนัชานปัจจัยกับปัจใจเจ็ดข้างต้นมี4วาระนสัมปยุตตปัจัยกับปัจใจเจ็ดข้างต้นมีสองวาระนวิปยุตตะปัจจัยกับปัจใจเจ็ดข้างต้นมี2อวาระนโนนัตถิปัจจัยกับปัจใจเจ็ดข้างต้นมี4ี่วาระโนวิกตปัจจัยกับปัจใจเจ็ดข้างต้นมี4ี่วาระนอารามานปัจจัยกับปัจจัย8 คือเหตุสหชาตะอัญญมัญญะนิสัยอินตริยมัคคัติและอวิคตะมีสองวาระหน้าที่ปฏิปัจจัยกับปัจจัยแปข้างต้นมีสองวาระณอนันตรปัจจัยกับปัจจัยแปข้างต้นมี2วาระหนสมาันตรปัจจัยกับปัจจัย8มีสองวาระหนอุปนิสัยปัจจัยกับปัจจัยแปดข้างต้นมีสองวาระ นปุเรชาตปัจจัยกับปัจจัยแปข้างต้นมี2วาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับปัจจัยแปข้างต้นมี2วาระนอาเสวนปัจจัยกับปัจจัยแปดข้างต้นมี2วาระนกรรมมปัจจัยกับปัจจัยแปดข้างต้นมี2วาระนวิปากับปัจจัยกับปัจจัยแปข้างต้นมี2วาระนอาหารปัจจัยกับปัจจัยแปข้างต้นมีสองวาระ นัชานปัจจัยกับปัจจัยแปข้างต้นมีสองวาระนจัมปยุตตปัจจัยกับปัจจัยแปข้างต้นมีหนึ่งวาระนวิปยุตตะปัจจัยกับปัจจัยแปข้างต้นมีสองวาระโนนะติปัจจัยกับปัจจัยแปข้างต้นมีสองวาระโนวิกตปัจจัยกับปัจจัยแปข้างต้นมีสองวาระนอารามณปัจจัยกับปัจจัย9คือเหตุสหชาตะอัญญมัญญนิสยา อินทรียมัคคะสัมปยุตตาอัตติและอวิคตะมีสองวาระนาทิปติปัจจัยณอนันตรปัจใจนาสมณันตรปัจจัยณอุปนิสติยปัจจัยณปุเรชาตปัจจัยณปัจฉาชาตปัจจัยณอาเสวนปัจใจนากรรมปัจจัยณวิปากปัจจัยณอาหารปัจจัย นัชานปัจจัยนวิปยุตตปจจ า, ปจจ า, าปัจจัยโนนัติปัจจัยโนวิกตตปัจจัยทั้งหมดนี้กับปัจจัยเก้าข้างต้นมีอย่างละสองวาระนาอารมณปัจจัยกับปัจจัยแปดคือเหตุตุสหาชาตะนิสยอินทริยามคะวิปยุตตะอติและอวิกัตะมีสองวาระ นัทิปฏิปัจจัยนัอนันตระปัจจัยนัจามันตระปัจจัยนัอัญญมัญญปัจจัยนัอุปนิสัยปัจจัยนัปุเรชาตาปัจจัยนัปัจฉาชาตาปัจจัยนัอาเสวณปัจจัยนักรรมปัจจัยนัวิปากปัจจัยนัอาหารปัจจัยนัชานปัจจัยนัสัมปยุตตปัจจัยโนนัทิปัจจัยโนวิกตาปัจจัยทั้งหมดนี้กับปัจจัยแปดคือเหตุสหชาตะ นิตยอินทริยมัคควิปยุตตาอัตติและอวิกตะมีอย่างละสองวาระส่วนในโนวิกตะปัจจัยกับปัจจัยแปข้างต้นนั้นมีสองวาระเหมือนกันในวงเล็บอวิปากสีนะอารามณปัจจัยกับปัจจัย8คือเหตุสหาชาตะนิตยวิปากอินทริยมัคคอัตติและอวิกตะมีหนึ่งวาระ นาที่ปฏิปัจจัยนาอนันตรปัจจัยนาสมานันตรปัจจัยนอัญญมัญญปัจจัยนาอุปนิสัยปัจจัยนาปุเรชาตปัจจัยนาปัจฉาชาตปัจจัยนาอาเสวนปัจจัยนากรรมมปัจจัยนาอาหารปัจจัยนาชานปัจจัยนาสัมปยุตตปัจจัยนาวิปยุตตปัจจัยโนนาทิปัจจัยโนวิขตปัจจัยทั้งหมดนี้กับปัจจัยแปด คือเหตุสหชาตานิจยวิปากะอินทรียะมขะอติและอวิคตะมีอย่างละหนึ่งวาระนารามณปัจจัยกับปัจจัยเก้าคือเหตุสหชาต่อัญญมัญานิจญาวิปากอินทริยะมขะอติและอวิคตะมีหนึ่งวาระ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 นิสยวิปากอินตริยมัคคอติและอวิคตะมีอย่างระหนึ่งวาระณอารมณปัจจัยกับปัจจัยสิบคือเหตุสหชาตะอัญญมัญญานิสัยวิปากอินตริยมัคคะสัมปยุตตาอติและ อ, ละ อ, ละอวิคตะมีหนึ่งวาระาทิปติปัจนะปจัยณอนะันตรปัจจัยณสมานันทรปัจจัยณนะปานิสัยปัจจัย นภูเรชาตปัจจัยนะปัจจฉาชาตปัจจัยนะอาสวนปัจจัยนะกรรมปัจจัยนะอาหารปัจจัยนชาณปัจจัยนะวิปปยุตตปัจจัยโนนติปัจจัยโนวิขตปัจจัยทั้งหมดนี้กับปัจจัยสิบคือเหตุสหชาตะอัญญมัญญนิสิยวิปากอินทรียมัคคะสัมปยุตตอธิระวิขตะมียางละหนึ่งวาระ นัอรามณปัจจัยกับปัจจัยเกคือเหตุสหชาตะนิทยวิปากาอินทริยามฆาวิปยุตตอติระวิกตะมีหนึ่งวาระนัอทิปติปัจจัยนัอนันตรปัจจัยนัสมาณตรัปัจจัยนัอัญญมัญญปัจจัยนัอุปนิสตยปัจจัย นภูเรชาตปัจจัยนปัจฉาชาตปัจจัยนอาเสวนปัจจัยนกรรมปัจจัยนอาหารปัจจัยนชาตปัจจัยนสามปยุตตปัจจัยโนนัตถิปัจจัยโนวิกตปัจจัยทั้งหมดนี้กับปัจจัยเก้าคือเหตุตสหชาตานิสยาวิปากาอินตริยามัคคาวิปยุตตาอัิแะอวิกตะมีอย่างละหนึ่งวาระ อารามณปัจจัยกับปัจจัยสิบคือเหตุสหชาตะอัญญมัญญาณิสียวิปากะอินทริยมัคควิปยุตตาอธิและอวิขตะมีหนึ่งวาระณอธิปฏิปัจจัยณอนันตรปัจจัยณสมันตรปัจจัยณอุปนิสียปัจจัยณปุเรชาตปัจจัยณปัจฉาชาตปัจจัยณอาเสวนปัจจัยณกรรมปัจจัย นอาหารปัจจัยนัานาปัจจัยนสัมปยุตตาปัจจัยโนนติปัจจัยโนวิกตาปัจจัยทั้งหมดนี้กับปัจจัยสิบคือเหตุตหาชาตะอัญญมัญญาณิติยวิปากะอินทริยมัคควิปยุตตาอัติและอวิคตะมีอย่างละหนึ่งวาระในมงเลบสวิปากะหาสาธิปติอินตริยมัคคตนาห้าห้าสา นอารามณปัจจัยกับปัจจัย8คือเหตุอธิปติสหชาตะนิสยาอินเตรียะมคะอธิและอวิขะตมีสี่วาระนอนันตรปัจจัยกับปัจใจแปดข้างต้นมีสี่วาระนสมานันตรปัจจัยกับปัจใจแปดข้างต้นมีสี่วาระนอัญญมัญญาปัจจัยกับปัจใจแปดข้างต้นมี2วาระ นอุปนิเตียปัจจัยกับปัจจัยแปข้างต้นมีสี่วาระนปุเรชาตปัจจัยกับปัจจัยแปข้างต้นมีสี่วาระนปัจฉาชาต่ปัจจัยกับปัจจัยแปข้างต้นมีสี่วาระนาอาเสวนปัจจัยกับปัจจัยแปข้างต้นมีสี่วาระนากรรมมปัจจัยกับปัจจัยแปข้างต้นมีสี่วาระนาวิปากปัจจัยกับปัจจัยแปข้างต้นมีสี่วาระ นอาหารปัจจัยกับปัจจัยแปดข้างต้นมีสี่วาระนาชาณปัจจัยกับปัจจัยแปดข้างต้นมี4ี่วาระนสัมปยุตตปัจจัยกับปัจจัยแปดข้างต้นมีสองวาระนวิปปยุตตาปัจจัยกับปัจจัยแปดข้างต้นมีสองวาระโนนตทิปัจจัยกับปัจจัยแปดข้างต้นมี4ี่วาระโนวิกตปัจจัยกับปัจจัยแปดข้างต้นมี4ี่วาระ นัอรามณปัจจัยกับปัจจัยสิบคือเหตุอธิปติสหชาตะอัญญมัญญะนิตยอินทรียะมคะสัมปยุตตาอติและอวิคตะมีสองวาระนัอนันตรปัจจัยนัสมนันตรปัจจัยนัอุปนิสติยปัจจัยนัปุเรชาติปัจจัยนัปัจฉาชาติปัจจัยนัอเสวนปัจจัยนักรรมมปัจจัยนัวิปากปัจจัยนัอาหารปัจจัย นาชานาปัจจัยนวิปยุตตาปัจจัยโนนัตถิปัจจัยโนวิกตตปัจจัยกับปัจจัยสิบข้างต้นคือเหตุอธิปติหาชาตะอัญญามัญญานิสัยอินทริยะมัคคะสัมปยุตตาอติและวิกตะมีอย่างละสองวาระ นอารามณปัจจัยกับปัจจัย9คือเหตุอธิปติสหชาตะนิตย์อินทริยามฆาวิปยุตตาอัติและอวิคตะมีสองวาระนอนันตรปัจจัยนัสมาันตรปัจจัยนัอัญญมัญญปัจจัยนัอุปนิสสิยปัจจัยนัปุเรชาตปัจจัยนัปัจชาชาตปัจจัยนัอาเสวนปัจจัย นกกรรมปัจใจนักวิปากัดปัจใจนักอาหารรับปัจจนักฌานนักปัจจนักสัมปยุตตะปัจัยโนนัตถิปัจัยโนวิกตะปัจจัยทั้งหมดนี้กับปัจใจเก้าข้างต้นคือเหตุอธิปติสหาชาตะนิจญยอินตริยมัคควิปยุตตะอติและวิกตะมีอย่างบรับสองวาระในมุงเล็บอวิปากัดสาม นารามณปัจจัยกับปัจจัยเก้าคือเหตุอธิปติสหชาตะนิจญาวิปากะอินตรียมขะอธิเดวิกตะมีหนึ่งวาระนันนานตรปัจจัยนัจมานันตรปัจจัยนัญญมัญญปัจจัยนัอุปนิสติปัจจัยนัปุเรชาตปัจจัยนัจชาชาตปัจจัยนอาเสวนปัจจัยนักรรมมปัจจัย นัอาหารปัจจัยนะัชานัปัจจัยนัสสปยุตตปัจจัยนัวิปยุตตะปัจจัยโนนัตติปัจจัยโนวิกตปัจจั ย, นะยทั้งหมดนี้กับปัจจัย9ข้างต้นคือเหตุอธิปติสหาชาตะนิสยวิปากะอินตริยมข ะ, ะอธิเะอวิกตะมีอย่างละหนึ่งวาระนะัอารามนะปัจจัยกับปัจจัย11 คือเหตุอธิปติสหชาตอัญญมัญญนิสยวิปากะอินทริยะมคธสัมปยุตตาอติและอวิคตามีหนึ่งวาระนัอนันตรปัจจัยนัสมนันตรปัจจัยนัอุปนิสยปัจจัยนัปุเรชาตปัจจัยนัปัจชาชาตปัจจัยนัอาเสวะปัจจัย นกกรรมปัจใจนักอาหารรับปัจจนักชาณปัจใจนักวิปยุตตปัจจัยโนนัตถิปัจจัยโนวิกตาปัจจัยทั้งหมดนี้กับปัจจัย11ข้างตน้นคือเหตุตอธิปติสหาชาตตอัญญมัญญาเนจญาวิปากอินทริยามคาสัมปยุตตาอัิและอวิกตะมีอย่างละหนึ่งวาระ นารามณปัจจัยกับปัจจัยสิบคือเหตุอธิปติสหชาตะนิสยวิปากาอินทริยามคาวิปยุตตาอัตติและอวิคตะมีหนึ่งวาระนอนันตรปัจจัยนสมันตระปัจจัยนัญญมัญญาปัจจัยนอุปนิสยปัจจัยนปุเรชาตปัจจัยนัจชาชาตปัจจัยนอาเศณ์แัะนักรรมมปัจจัยนอาหารปัจจัย นัชานปัจจัยนัสสามปยุตตาปัจจัยโนนติปัจจัยโนวิกตปัจจัยทั้งหมดนี้กับปัจจัยสิบคือเหตุอธิปติจหาชาตะนิสยาอินทรียมัคควิปยุตตาอติและอวิกตะมีอย่างละหนึ่งวาระในวงเล็บสวิปากษ์สามเหตุมูลกันในจบอารามนาทุกกันใน ห้ายห้าสี่เหตุปัจจัยณอธิปติปัจจัยณอนันตรปัจจัยณสมนันตรปัจจัยณตาหาชาตปัจจัยณอัญญมัญญปัจจัยณนิตยปัจจัยณอุปนิทยปัจจัยณปุเรชาตปัจจัยณปัจฉาชาตปัจจัยณเอาเสวนปัจจัยณกรรมปัจจัยณวิปากปัจจัยณอาหารปัจจัยณอินทรียปัจจัย นาชานปัจจัยนมะขะปัจจัยณสัมปยุตตาปัจจัยนวิปยุตตปัจจัยโนนาติปัจจัยโนนัติปัจจัยโนวิขตปัจจัยโนอวิขตปัจจัยทั้งหมดนี้กับอารามานปัจจัยมีอย่างประกาวาระอารามานคาตนาห้าร้อยห้าสิบห้านาเหตุปัจจัยกับปัจใจสาม คืออารามณะอธิปติและอุปนิสัยมีเจ็ดวาระณอนันตรปัจจัยณธมรมันตรปัจจัยณสหชาตปัจจัยณอัญญมัญญปัจจัยณนิสัยปัจจัยณปุเรชาตปัจจัยณปัจฉาชาตปัจจัยณอาเสวนปัจจัยณกามาปัจจัยณวิปากปัจจัยนะอาหารปัจจัยณอินทริยปัจจัย นัชานปัจจัยนัมัคคปัจจัยนัสัมปยุตตะปัจจัยนวิปยุตตะปัจจัยโนนัตโนอัติปัจจัยโนนัตถิปัจจัยโนวิคตปัจจัยโนอวิคตปัจจัยทั้งหมดนี้กับปัจจัย3คืออารามานะอธิปติและอุปนิสัยมีอย่างรัจเจตวาระนัเหตุปัจจัยกับปัจจัย4คืออารามานะปุเรชาตะอัติและอวิคตะมีสามวาระ นัอทิปติปัจจัยนะอนันตรปัจจัยนะตะมันันตรปัจจัยนะตหาชะตปัจจัยนะอัญยมัญญปัจจัยนะนิตยัปปัจจัยนะอุปนิสตยัปปัจจัยนะชานัปัจจัยนัอเสวะนปัจจัยนะกรรมปัจจัยนะวิปากปัจจัยนะอาหารปัจจัยนะอินทรียปัจจัยนะชานัปัจจัยนัมขะปัจจัยนัสัมปยุตตปัจจัยนัวิปยุตตะปัจจัยโนนัติปัจจัยโนวิกตปัจจัย ทั้งหมดนี้กับปัจจัยสี่คืออารามณนะปุเรชาติอัตถีและวิกตะมีอย่างละสามวาระนะเหตุปัจจัยกับปัจจัย6คืออารามณนะนิเตยียปุเรชาตะวิปยุตตาอัตถีและอวิกตะมีสามวาระนะอธิปติปัจจัยนะอนันตรปัจจัยนะสมนันตระปัจจัย น, ะ ส, น, น, ะ, จจยนะสหชาติปัจจัย นะอัญญมัญญปัจจัยนะอุปนิสยติปัจจัยนะปัจฉาชาตปัจจัยนะอาเสวนปัจจัยนะกรรมปัจจัยนะวิปากปัจจัยนะอาหารปัจจัยนะอินทรียปัจจัยนะชานปัจจัยนะมัคคปัจจัยนะสามปยุตตปัจจัยโนนัตถิปัจจัยโนวิกตปัจจัยทั้งหมดนี้กับปัจจัยหกคืออารามะนปัจจัยนิสัยปุเรชาตะ วิปยุตตาอัติและวิคตะมีอย่างละสามวาระนัเหตุปัจจัยกับปัจจัย6คืออารามณะอธิปฏิอุปนิสัยะปุเรชาตะอัติและอวิคตะมีหนึ่งวาระนัณณันตรปัจจัยนัสมานันตรปัจจัยนัสหชาตตปัจจัยนัอัญญมัญญาปัจจัยนันิติยปัจจัยนัปัจชาชาตาปัจจัย นัอเสวะปัจจัยนักรรมปัจจัยนัวิปากปัจจัยนัอาหารปัจจัยนัอินตริยปัจจัยนัชาณปัจจัยนัมะกะปจจัยนัสัมปยุตตะปจัยนัวิปยุตตะปจจัยโนนัติปัจจัยโนวิคตะปจจัยทั้งหมดนี้กับปัจจัยหกคืออารามะนินยิยะเรชาตะวิปยุตตะอัธิและอวิคตะมีอย่างละสมวาระ ในเหตุป <ess> ัจจ <ess> ัยกับปัจจัย6คือรามณะอธิปติอุปนิสัยปุเรชาติอัติและอวิกตะมีหนึ่งวาระนัชมนันตรปัจจัยนัชอาชาตาปัจจัยนัอัญญมัญญปัจจัยนันิติยปัจจัยนัปปชอาชาตาปัจจัยนัอาเสวนปัจจัยนักรรมปัจจัยนัวิปากับปัจจัยนัอาหารปัจจัยนัอินทรียปัจจัยนัชาณปัจจัย นามัคคปัจจัยนัสัมปยุตตะปัจจัยนวิปยุตตะปัจจัยโนนัตถิปัจจัยโนวิกตปัจจัยทั้งหมดนี้กับปัจจัยหคืออารามณะอธิปติอุปนิสัยปุเรชาติอติและอวิกตะมีอย่างละหนึ่งวาระในเหตุปัจจัยกับปัจจัย8คืออารามณะอธิปตินิสัยอุปนิสัยปุเรชาติวิปยุตตะอติและอวิกตะมีหนึ่งวาระ นาอนันตรปัจจัยนาสมาอนันตรปัจจัยนาชาชาตปัจจัยนาอัญญมัญญปัจจัยนาปัจฉาชาตปัจจัยนาอาเสวะนปัจจัยนากรรมปัจจัยนาวิปากปัจจัยนาอาหารปัจจัยนาอินทรียปัจจัยนาชานปัจจัยนามัคคปัจจัยโนนาสัมปยุตตปัจจัยโนนาติปัจจัยโนวิกตปัจจัยทั้งหมดนี้กับปัจจัยแปดข้างต้นคืออารามะนอธิปตินิสยา อุปนิสติยปุเรชาตะวิปยุตตาอธิละวิกตะมีอย่างละหนึ่งวาระอารามณมูลกไนัยจบอธิปติทุกกนัย5้ห้านเหตุปัจจัยกับอธิปฏิปัจจัยมีสิบวาระนาอารามณปัจจัยกับอธิปฏิปัจจัยมีเจ็ดวาระนอนันตรปัจจัยกับอธิปฏิปัจจัยมีสิบวาระ นัสัมนานตรปัจจัยกับอธิปติปัจจัยมีสิบวาระนัสชาตปัจจัยกับอธิปติปัจจัยมีเจ็ดวาระนอัญญมัญญะปัจจัยกับอธิปติปัจจัยมีแปดวาระนันิติยปัจจัยกับอธิปติปัจจัยมีเจดวาระนอุปนิติยปัจจัยกับอธิปติปัจจัยมีเจ็ดวาระนปุเรชาตปัจจัยกับอธิปติปัจจัยมีสิบวาระ นปัจฉาจาปัจัยกับอธิปติปัจจัย <rap> มีสิบวาระนอาสวนาปัจจัยกับอธิปติปัจจัยมีสิบวาระนกรรมปัจจัยกับอธิปติปัจจัยมีสิบวาระนวิปากปัจจัยกับอธิปติปัจจัยมีสิบวาระนอาหารปัจจัยกับอธิปติปัจจัยมีสิบวาระนอินทรียปัจจัยกับอธิปติปัจจัยมีสิบวาระ นจานปัจจัยกับอธิปติปัจจัยมีสิบวาระนมะขะปัจจัยกับอธิปติปัจจัยมีสิบวาระนสัมปยุตตปัจจัยกับอธิปติปัจจัยมีแปดวาระนวิปยุตตปัจจัยกับอธิปติปัจจัยมีเจดวาระโนนัตถิปัจจัยกับอธิปติปัจจัยมีเจดวาระโนนัติปัจจัยกับอธิปติปัจจัยมีสิบวาระโนวิขตปัจจัยกับอธิปติปัจจัยมีสิบวาระ โนโอวิคตาปัจจัยกับอธปิปฏิปัจจัยมี7วาระอธิปฏิมิสกะคตะนา5้าห้านเหตุปัจจัยกับปัจจัย3ามคืออธิปฏิอถิและอวิคตะมี8วาระนะอารามานปัจจัยกับปัจจัย3มี7วาระนาะอนันตระปัจจัยกับปัจจัย3มี8วาระ นาจมันันตระปัจจัยกับปัจจัยสมี8ดวาระนาจหัชาตปัจจัยกับปัจจัยสมีหนึ่งวาระนอัญญมัญญปัจจัยกับปัจจัยสมีสี่วาระนาณิสียปัจจัยกับปัจจัยสามีหนึ่งวาระนอุปนิสียปัจจัยกับปัจจัยสามีเจดวาระนปุเรชาตปัจจัยกับปัจจัยสามีเจดวาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับปัจจัยสามมี8ดวาระ นาอาเสยวณัจจัยก ja. ับปัจจัยสามมี8วาระนากรรมปัจจัยกับปัจจัยสามมี8ดวาระนาวิปากปัจจัยกับปัจจัยสามมี8วาระนาอาหารปัจจัยกับปัจจัยสามมี8วาระนาอินตริยปัจจัยกับปัจจัยสามมี8ดวาระนาชาณปัจจัยกับปัจจัยสามมี8ดวาระนามะขะปัจจัยกับปัจจัยสามมี8ดวาระนาสัมปยุตจะปัจจัยกับปัจจัยสี่ กับปัจจัยสมีสวาระนวิปปยุตตะปัจจัยกับปัจจัย3มี4วาระโนอัตติปัจจัยกับปัจจัย3มี8วาระโนวิกตะปัจจัยกับปัจจัย3มี8วาระนเหตุปัจจัยกับปัจจัยสคือธิปตินิจยอัตติและอวิคตะมี8วาระนารามานปัจจัยกับปัจจัย4ี่ขั้งต้นมีเจดวาระ นอนันตรปัจจัยกับปัจจัยสี่มี8ดวาระนสมนันตระปัจจัยกับปัจจัยสี่มี8ดวาระนาสหะชาตปัจจัยกับปัจจัยสี่มีหนึ่งวาระนอัญญมัญญปัจจัยกับปัจจัยสี่มีสี่วาระนอุปนิสัยปัจจัยกับปัจจัยสี่มีเจดวาระนาปุเรชาตปัจจัยกับปัจจัยสี่มีเจดวาระ นปัจฉาชาตาปัจใจกับปัจใจสี่มี8วาระนอาเสวนปัจใจกับปัจใจสี่มี8วาระนกรรมปัจใจกับปัจใจสี่มี8ดวาระนวิปากปัจใจกับปัจใจสี่มี8วาระนอาหารปัจใจกับปัจใจสี่มี8ดวาระนอินตริยปัจใจกับปัจใจสี่มี8ดวาระนาชานปัจใจกับปัจใจสี่มี8ดวาระนามัคปัจใจกับปัจใจสี่มี8วาระ นัสสัมปยุตตาปัจจัยกับปัจจัย4มี4วาระนวิปปยุตตาปัจจัยกับปัจจัย4มีสวาระโนนัตถิปัจจัยกับปัจจัย4มี8วาระโนวิกตปัจจัยกับปัจจัย4มี8วาระนัเหตุปัจจัยกับปัจจัย5คือธิปตินิสยวิปยุตตาอัตติและอวิคตตมี4วาระนัอรามะนปัจจัยกับปัจจัย5มี3วาระ ณอนันตรปัจจัยกับปัจจัยหมีสี่วาระณสมนันตระปัจจัยกับปัจจัยห้ามีสี่วาระณสหชาตปัจจัยกับปัจจัยห้ามีหนึ่งวาระณอัญญมัญญาปัจจัยกับปัจจัยหมีสี่วาระณอุปนิสตยปัจจัยกับปัจจัยหมีสามวาระณปุเรชาตปัจจัยกับปัจจัยห้ามีสามวาระณปัจฉาชาตปัจจัยกับปัจจัยห้ามีสี่วาระ นาอาเสว่นปัจจัยกับปัจจัย5มีสี่วาระนากรมมปัจจัยกับปัจจัยห้ามีสี่วาระนาวิปากปัจจัยกับปัจจัย5มีสี่วาระนาอาหารปัจจัยกับปัจจัยห้ามีสี่วาระนาอินตรียปัจจัยกับปัจจัยหมีสี่วาระนาชาณปัจจัยกับปัจจัยหมีสี่วาระนามะขะปัจจัยกับปัจจัยหมีสี่วาระ นสัมปยุตตะปัจจัยกับปัจจัย5มีสี่วาระโนนัตถิปัจจัยกับปัจจัย5มีสวาระโนวิกตะปัจจัยกับปัจจัย5มีสวาระปกินน ก, กขตนา5้าห้ในเหตุปัจจัยกับปัจจัย3คืออธิปติอารามณนะและอุปนิสัยมี7วาระ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 นามัคคปัจจัยนาะมัตยุตตปัจจัยนาะวิปยุตตะปัจจัยโนอธิปัจจัยโนนัตติปัจจัยโนวิกขตปัจจัยโนอวิกขต ป, ปัจจัยทั้งหมดนี้กับปัจจัย3คืออธิปติอารามณะและอุปนิสัยมีอย่างละเจ็ดวาระในเหตุปัจจัยกับปัจจัย6คืออธิปติอารามณะอุปนิสัยปุเรชาติอัตติและอวิกตะมีหนึ่งวาระ นัอนันตรปัจจัยนัสมนันตรปัจจัยนัธหชาตปัจจัยนัอัญญมัญญะปัจจัยนันิตยปัจจัยนัปัจฉาชาตปัจจัยนัอาเสวะปัจจัยนักกรรมปัจจัยนัวิปากปัจจัยนัอาหารปัจจัยนัอินทรียปัจจัยนักชาณปัจจัยนัมัคคปัจจัยนัสัมปยุตตปัจจัยนัวิปยุตตปัจจัยโนนัติปัจจัยโนวิกตปัจจัยทั้งหมดนี้ กับปัจจัยหกคือทิปติอารามณะอุปนิสัยปุเรชาติอัตติและอวิคตะมีอย่างละหนึ่งวาระนเหตุปัจจัยกับปัจจัย8ปคือทิปติจจอารามณะนิสัยอุปนิสัยปุเรชาตะวิปยุตตาอัตติและอวิคตามีหนึ่งวาระณอนันตรปัจจัย นัตตะมนันตะปัจจัยนัสหชาตปัจจัยนัอัญญมัญญาปัจจัยนัปัจฉาชาตปัจจัยนัอาเสวะนปัจจัยนักรรมปัจจัยนวิปากปัจจัยนัอาหารปัจจัยนัอินตรียปัจจัยนัชานปัจจัยนัมัคคปัจจัยนัสัมปยุตตปัจจัยโนนัติปัจจัยโนวิกตปัจจัยทั้งหมดนี้กับปัจจัยแปคือทิปติอารามะนิสิยะอุปนิสิยะ บรชาตะวิปยุตติและอวิคตะมีอย่างละหนึ่งวาระสหชาตะฉันทาทิปติขตนา559รนะเหตุปัจจัยกับปัจจัย5คือธิปติสหชาตะนิตยาติและอวิคตะมีเจดวาระนาอารามณะปัจจัยกับปัจจัย5มี7วาระ นาอนันตรปัจจัยกับปัจจัย5้าข้างต้นมี7ดวาระนาธมนันตระปัจจัยกับปัจจัย5มีเจดวาระนาอัญญมัญญปัจจัยกับปัจจัย5มีสวาระนาปนิสยปัจจัยกับปัจจัย5มี7วาระนาปุเรชาตปัจจัยกับปัจจัย5มี7ดวาระนาปัจฉาชาตปัจจัยกับปัจจัย5มี7ดวาระนาอาเสวนปัจจัยกับปัจจัย5มีเจดวาระ นกกรมปัจจัยก like AH like ับปัจจัย5มี7วาระนวิปปะกปัจจัยกับปัจจัย5มี7ดวาระนอาหารปัจจัยกับปัจจัย5มี7วาระน้อินทรียปัจจัยกับปัจจัย5มี7วาระนชาณปัจจัยกับปัจจัย5้ามี7วาระน้มัคคปัจจัยกับปัจจัย5มี7วาระน้สัมปัญญาปัจจัยกับปัจจัย5มีสวาระนวิปปัญญาปัจจัยกับปัจจัย5มี3วาระ นโนนติปัจจัยกับปัจจัย5มี7วาระนโนวิคตปัจจัยกับปัจจัย5มี7วาระนเหตุปัจจัยกับปัจจัย7คืออธิปติสหาชาตะอัญญมัญญานิสยาสัมปยุตตาอธิและอวิคตะมีสาวาระ นัอารามณปัจจัยนัอนันตรปัจจัยนัสมันตรัปัจจัยนัอุปนิสัยปัจจัยนัปุเรชาตปัจจัยนัปัจฉาชาตปัจจัยนัอาเสวณปัจจัยนักรรมปัจจัยนัวิปากปัจจัยนัอาหารปัจจัยนัอินทรียปัจจัยนัชาปัจจัยนัมัคคปัจจัยนัวิปยุตตาปัจจัยโนนัติปัจจัยโนวิกตปัจจัยทั้งหมดนี้ กับปัจจัยเจ็ดข้างต้นคือธิปติสหาชาตะอัญญามัญญานิสยาสัมปยุตตาอัติและอวิคตะมีอย่างละสามวาระนเหตุุปัจจัยกับปัจจัย6คือทิปติสหาชาตะนิสยาวิปยุตตาอัติและอวิคตะมีสามวาระ นัอารมณปัจจัยนัอนันตรปัจจัยนัสมนันตรปัจจัยนัอัญญมัญญะปัจจัยนัอุปนิเตียปัจจัยนัปุเรชาตปัจจัยนัปัจฉาชาตปัจจัยนั้นอาเสวนปัจจัยนักรรมปัจจัยนัวิปากะปัจจัยนัอาหารปัจจัยนัอินเรียปัจจัยนั้ชาณปัจจัยนัมัคคปัจจัยนัสัมปยุตตปัจจัยโนนติปัจจัยโนวิกตปัจจัย ทั้งหมดนี้กับปัจจัย6เบื้องต้นคืออธิปติสหาชาตะนิสยวิปยุตตาอัติและวิกตะมีอย่างละสามวาระในวงเล็บอวิปากะ3นใเหตุปัจจัยกับปัจจัย6คืออธิปติสหาชาตะนิสยาวิปากะอัติและอวิกตะมีหนึ่งวาระ นัอารามณปัจจัยนัอนันตรปัจจัยนัสมนันตรัปัจจัยนัอัญญมัญญปัจจัยนัอุปนิสตยปัจจัยนัปุเรชาตปัจจัยนัปัจฉาชาตปัจจัยนัอาเสวนปัจจัยนักรรมมปัจจัยนัอาหารปัจจัยนัอินทรียปัจจัยนัชาณปัจจัยนัมัคคปัจจัยนัสัมปยุตตปัจจัยนัวิปยุตตปัจจัยโนนัตติปัจจัยโนวิกตปัจจัยทั้งหมดนี้กับปัจจัยห เพิ่งต้นคือทิปติสหาชาตะนิตยาวิปากะอติและอวิกตะมีอย่างละหนึ่งวาระน่ะเหตุปัจจัยกับปัจจัย8คือทิปติสหาชาตะอัญญามัญญานิตยาวิปากะสัมปยุตตาอติและอวิกตะมีหนึ่งวาระนาอารามนานปัจจัย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 กับปัจจัยแปดเบื้องต้นคือธิปติสหชาตะอนญามัญญานิสิยาวิปากะสัมปยุตตะอัติและอวิกตะมีอย่างละหนึ่งวาระเหตุปัจจัยกับปัจจัยเจ็ดคือธิปติสหชาตะนิสิยาวิปากะวิปยุตตะอัติและอวิกตะมีหนึ่งวาระณอารามณะ ปัจจยนะอนันตรปัจจัยนะสัมณัตรปัจจัยนะอัญยมัญญปัจจัยนะอุปนิสตปัจจัยนะปุเรชาตปัจจัยนะปัจฉาชาแตปัจจัยนะอาเสวนปัจจัยนะกรรมปัจจัยนะอาหารปัจจัยนะอินทรียปัจจัยนะจานปัจจัยนะมัคคปัจจัยนะสัมปยุตตปัจจัยโนนะทิปัจจัยโนวิกตปัจจัยทั้งหมดนี้กับปัจจัยเจ เหมือนข้างต้นคือทิปฏิสหาชาตะนิจยวิปากะวิปยุตตาอติไดวิกตะมีอย่างละหนึ่งวาระในวงเร็บสวิปากะสาน่าเหตุปัจจัยกับปัจจัยแปรคือทิปฏิสหาชาตะอัญญามัญญะนิจยวิปากะวิปยุตตาอติไะอวิกตะมีหนึ่งวาระ นัอารามนะปัจจัยนัอนันตรปัจจัยนัสัมันตระปัจจัยนักวิเติยปัจจัยนัปุเรชาตปัจจัยนัปัจฉาชาตปัจจัยนัอาเสวณปัจจัยนักกรรมปัจจัยนัอาหารปัจจัยนัอินทรียปัจจัยนักชาณปัจจัยนัมัคคปัจจัยนัสัมปยุตตปัจจัยโนนัตถิปัจจัยโนวิคตปัจจัยทั้งหมดนี้กับปัจจัยแปด เบื้องต้นคือดที่ปฏิทหาชาติอัญญมัญญานิตยวิปากวิปยุตตะอัติและอวิกตะมีอย่างละหนึ่งวาระจิตตาที่ปฏิคตนาห้าร้อยหกสิบนเหตุปัจจัยกับปัจจัยเจ็ดเกิที่ปฏิทหาชาตะนิตยาอาหาระอินตริยาอัติและอวิกตะมีเจ็ดวาระน่อรารามณปัจจัย ปัจจัยเจ็ดมีเจ็ดวาระนอนันตรปัจจัยกับปัจจัยเจ็ดมีเจ็ดวาระนสมนันตรปัจจัยกับปัจจัยเจ็ดมีเจ็ดวาระณอัญญมัญญปัจจัยกับปัจจัยเจ็ดมีสามวาระณอภินิสติยปัจจัยกับปัจจัยเจ็ดมีเจ็ดวาระนปุเรชาตปัจจัยกับปัจจัยเจ็ดมีเจ็ดวาระ นปัจฉาชาตปัจจัยกับปัจจัย7็ดมีเจดวาระนอาเสวนปัจจัยกับปัจจัย7็มี7ดวาระนกรรมปัจใจกับปัจจัย7็ดมี7ดวาระนวิปากปัจจัยกับปัจจัย7็ดมี7ดวาระนัชานปัจใจกับปัจจัย7็ดมี7ดวาระนักมัคคปัจจกับปัจจัย7็ดมี7วาระนสัมปยุตตะปัจใจกับปัจจัย7ดมีสาวาระนวิปยุตตะปัจจัยกับปัจจัย7มีสาวาระ นโนนติปัจจัยกับปัจจัย7มี7วาระนโนวิกะตะปัจจัยกับปั จ, จเจกเจมี7วาระนาเหตุปัจจัยกับปัจจัย9คืออธิปติสหาชาตะอัญญมัญญานิสยาอาหาระอินทรียะัมปยุตตะอติและอวิกะตะมีสามวาระ นัอารามณปัจจัยนัอนันตรปัจจัยนันสัมนันตระปัจจัยนัอุปนิสิยปัจจัยนัปุเรชาตปัจจัยนัปัจฉาชาตปัจจัยนัอาเสวณปัจจัยนักรรมมปัจจัยนัวิปากปัจจัยนัชานปัจจัยนัมัคคปัจจัยนัวิปยุตตปัจจัยโนนัตติปัจจัยโนวิคตปัจจัยทั้งหมดนี้ กับปัจจัย9คือที่ปฏิสหาชาติอัญญมัญญานิตย์ญาอาหาระอินทรียะวมปยุตตอาอัติและอวิคตะมีอย่างละสามวาระในเหตุปัจจัยกับปัจจัย8คือที่ปฏิสหาชาตานิตย์ญาอาหาระอินทริยาวิปยุตตาอัติและอวิคตะมีสามวาระ นัอารมณปัจจัยนันอนันตรปัจจัยนัสมนันตรปัจจัยนั้นญมัญาปัจจัยนัอุปนิเตียปัจจัยนัปุเรชาตปัจจัยนัปัจฉาชาตปัจจัยนัอาเสวนปัจจัยนักรรมปัจจัยนัวิปากปัจจัยนัชานปัจจัยนัมัคคปัจจัยนัสัมปยุตตปัจจัยโนนัตติปัจจัยโนวิกตปัจจัย ทั้งหมดนี้กับปัจจัยแปคือธิปติสหาชาตะนิจยอาหาระอินตริยะวิปยุตตาอัติและอวิกตะมีอย่างละสามวาระในมึงเล็บอวิปากาสามนเหตุปัจจัยกับปัจจัยแปคือธิปติสหาชาตะนิตยะวิปากะอาหาระอินตริยะอติและอวิกตะมีหนึ่งวาระ นัอารมณปัจจัยนัอนันตรปัจจัยนั้นัมมันตรปัจจัยนั้ัญญมัญญปัจจัยนัอุปนิสัยปัจจัยนัปุเรชาตปัจจัยนัปัจฉาชาตปัจจัยนัอาเสวนปัจจัยนักรรมปัจจัยนัชาณปัจจัยนัมัคปัจจัยนัสัมปยุตตาปัจจัยนวิปยุตตปัจจัยโนนัตถิปัจจัยโนวิกตปัจจัยทั้งหมดนี้กับปัจจัยแปดคือที่ปฏิจหชาตะนิสยวิปากะ อาหารอินทรียะอติและวิคตะมีอย่างละหนึ่งวาระนัเหตุปัจจัยกับปัจจัยสิบคืออธิปติจหาชาตะอัญญามัญญนิสิยาวิปากะอาหารอินทรียะัมปยุตตะอติและอวิคตะมีหนึ่งวาระ นัอารมณปัจจัยนัอนันตรปัจจัยนัสมนันตรปัจจัยนัอุปนิสติยปัจจัยนัปุเรชาตปัจจัยนัปัจฉาชาตปัจจัยนัอาเสวนปัจจัยนักรรมมปัจจัยนัชานปัจจัยนัมขัปปัจจัยนัวิปยุตตาปัจจัยโนนัตติปัจจัยโนวิกตปัจจัยทั้งหมดนี้กับปัจจัยสิบคือที่ปฏิสหชาตะอัญญมัญญาณิสติยวิปากะ อาหารอินทรียะ er ah, สัมปยุตตาอติและวิกะตะมีอย่างละหนึ่งวาระนะเหตุปัจจัยกับปัจจัยเกคือทิปติสหาชาตะนิจยาวิปากะอาหาระอินทรียาวิปยุตตาอติและอวิกะตะมีหนึ่งวาระนะอารมามานปัจจัยนะอนันตรปัจจัยนะสามานันตรปัจจัยนอะัญญามัญญะปัจจัยนะอุปนิสตยปัจจัย นบปุเรชาตปัจจัยนปัจฉาชาตปัจจัยนอาเสวนปัจจัยนกรรมมปัจจัยนัชาณปัจจัยนมรรคปัจจัยนัสัมปยุตตปัจจัยโนนัตถิปัจจัยโนวิกตปัจจัยทั้งหมดนี้กับปัจจัยเก้าคือทิปติจหชาตะนิตยาวิปากะอาหาระอินตรียาวิปยุตตาอัตติราวิกตะมีอย่างละหนึ่งวาระในวงเล็บสวิปากะสาม วิริยาธิปติขตนาห6าอดนเหตุปัจจัยกับปัจจัยเจดคืออธิปติสหาชาตะนิสยาอินทรียมขะอติและวิคตะมีเจ็ดวาระนะอารมามณปัจจัยกับปัจจัยเจ็ดข้างต้นมีเจ็ดวาระนาะอนันตรปัจจัยกับปัจจัยเจ็ดมีเจ็ดวาระนสมนันตรัปัจจัยกับปัจจัยเจ็ดมีเจ็ดวาระ นอัญญามัญญะปัจจัยกับปัจใจเจ็ดมีสามวาระนปนิเตยปัจจัยกับปัจใจเจ็ดมีเจ็ดวาระนัปุเรชาตปัจจัยกับปัจใจเจ็ดมีเจ็ดวาระนปัจชาชาตปัจจัยกับปัจใจเจ็ดมีเจ็ดวาระนอาเสวนปัจใจกับปัจใจเจ็ดมีเจ็ดวาระนกรรมปัจจัยกับปัจใจเจ็ดมีเจ็ดวาระนวิปากับปัจัยกับปัจใจเจ็ดมีเจ็ดวาระ ณอาหารปัจจัยกับปัจใจเจ็ดม <is> ีเจ็ดวาระนับชาณปัจจัยกับปัจใจเจ็มีเจ็วาระณสัมปยุตตะปัจจัยกับปัจใจเจ็ดมีสามวาระนาวิปยุตตะปัจจัยกับปัจใจเจ็ดมีสามวาระโนนัตถิปัจจัยกับปัจใจเจ็ดมีเจ็ดวาระโนวิกตปัจจัยกับปัจใจเจ็ดมีเจ็ดวาระนเหตุปัจจัยกับปัจจัย9คือธิปติสหชาตะอัญญมัญญนิสยา อินทรียามักขะสัมปยุตตาอธิและวิกตะมีสามวาระนอารามณปัจจัยนัอนันตรปัจจัยนัสมนันตรปัจจัยนัอุปนิสติยปัจจัยนัปุเรชาตปัจจัยนัปจฉาชาตปัจจัยนัอาเสวณปัจจัยนักรรมปัจจัยนัวิปากปัจจัยนัอาหารปัจจัยนัชาปัจจัยนัวิปยุตตปัจจัยโนนติปัจจัยโนวิกขะตปัจจัยทั้งหมดนี้ กับปัจจัย9้าคือธิปติสหาชาตะอัญญมัญญานิตย์ยินตริยมามัคคะสัมปยุตตอาอัติไดอวิคตะมีอย่างละสามวาระนะเหตุปัจจัยกับปัจจัยแปดคือทิปติสหาชาตะนิตย์ยินตริยมามัคควิปยุตตาอติไดอวิคตะมีสามวาระ นัอารามณปัจใจนัอนันตรปัจใจนัสมนันตรัปัจใจนัอัญญมัญญปัจใจนัอุปนิสสิยปัจัยนัปุเรชาตปัจจัยนัปัจฉาชาตปัจใจนัอาเสวณปัจจัยนักรรมมปัจจัยนัวิปากปัจใจนัอาหารปัจใจนัชาณปัจัยนัสัมปยุตตปัจใจโนนติปัจใจโนวิกตปัจจัยทั้งหมดนี้ก็ปัจใจแปด เบื้องต้นคือดทีปฏิสหาชาตะนิสยาอินตริยามัคคาวิปปยุตตาอติได้วิกตะมีอย่างละสามวาระในวงเล็บอวิปากสาในเหตุปัจจัยกับปัจจัยแปดอธิปฏิสหาชาตะนิสยาวิปากะอินตริยามัคค า, าอติและอวิคตะมีหนึ่งวาระ นัอารามณปัจจัยนัอนันตรปัจจัยนัสมานตรปัจจัยนัอัญญมัญญปัจจัยนัอุปนิสติยปัจจัยนัปุเรชาตปัจจัยนัปัจฉาชาตปัจจัยนัอาเสวนปัจจัยนักรรมมปัจจัยนัอาหารปัจจัยนัชาณปัจจัยนัสัมปยุตตปัจจัยนัวิปยุตตปัจจัยโนนัธิปัจจัยโนวิกตปัจจัยทั้งหมดนี้ กับปัจจัย8ดคือที่ปฏิสหาชาตะนิสยวิปากะอินทริยมัคคะอตติและอวิกตะมีอย่างละหนึ่งวาระนเหตุ ป, ปัจจัยกับปัจจัย10บคือที่ปฏิสหาชาตะัญญมัญญานิสยวิปากะอินทริยมัคคะสัมปยุตตาอตติและอวิกตะมีหนึ่งวาระ นัอารามนาปัจจัยนัอนันตรปัจจัยนัสมนันตรปัจจัยนัอุปนิสัยปัจจัยนัปุเรชาตปัจจัยนัปัจฉาชาตปัจจัยนัอาเสวะนปัจจัยนักกรรมปัจจัยนัอาหารปัจจัยนักชาณปัจจัยนัวิปยุตตะปัจจัยโนนัตติปัจจัยโนวิกตปัจจัยทั้งหมดนี้กับปัจจัยติดเื่อที่ปฏิสหชาตะัญญามัญญานิตยวิปากะ อินทริยะมัคคะสัมปยุตตาอัติและอวิคตะมีอย่างละหนึ่งวาระนั่เหตุปัจจัยกับปัจจัยก้าวเพื่อทิปติสหชาตะนิสยาวิปากะอินทริยะมัคคะวิปยุตตาอัติและอวิคตะมีหนึ่งวาระนัอารามานปัจจัยนัอนันตรปัจจัยนัสมันตระปัจจัยนัอัญญมัญญะปัจจัยนัปุริสยาปัจจัยนัปุเรชาตปัจจัย นัปปัชชาตาปัจจัยนัอเสวนปัจจัยนักรรมปัจจัยนัอาหารปัจจัยนัชาณปัจจัยนัสัมปยุตตปัจจัยโนนัติปัจจัยโนวิคตปัจจัยทั้งหมดนี้กับปัจจัยเกคืออธิปติธาชาตานิสยวิปากอินทริยมัคควิปยุตตอัตติราวิคตะมีอย่างละหนึ่งวาระในวงเล็บสวิปากะสวีมังสาธิปติคตนา ห้าร้อหกสิณอารามณปัจจัยกับปัจจัย8ดคือธิปติเหตุสหัชชาตะนิตยาอินทรียะมัคคะอติและอวิคตะมีสี่วาระณอนันตระปัจจัยกับปัจจัยแปดข้างต้นมีสี่วาระนสมนันตระปัจจัยกับปัจจัยแปดมีสี่วาระณอัญญมัญญาปัจจัยกับปัจจัยแปดมีสองวาระนปนิสยาปัจจัยกับปัจจัยแปดมีสี่วาระ นับ no like ุเรชาตปัจจ like ัยกับป like like like like ัจจัยแปดมีสี่วาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับปัจจัย8ดมีสี่วาระนอาเสวนปัจจัยกับปัจจัยแปดมีสี่วาระนกรรมปัจจัยกับปัจจัยแปดมีสี่วาระนวิปากปัจจัยกับปัจจัย8ดมีสี่วาระนอาหารปัจจัยกับปัจจัยแปดมีสี่วาระนัชาตปัจจัยกับปัจจัย8ดมีสี่วาระ นสัมปยุตตาปัจจัยกับปัจจัย8มี2อวาระนวิปยุตตาปัจจัยกับปัจจัย8มี2อวาระโนนติปัจจัยกับปัจจัย8มีสวาระโนวิคตตปัจจัยกับปัจจัย8มีสวาระนารามณปัจจัยกับปัจจัย10บคือที่ปฏิเหตุสหชาติอัญญามัญญานิสยาอินทริยามัคคัศสัมปยุตตาอัติและอวิคตตามีสองวาระ นัอนันตรปัจจัยนันสมานันตรปัจจัยนัอุปนิสติยปัจจัยนั้ปูเรชาต์ปัจจัยนัปัจฉาชาต์ปัจจัยนัอาเสวนปัจจัยนักรรมปัจจัยนัวิปากปัจจัยนัอาหารปัจจัยนั้ชาตปัจจัยนัวิปยุตตปัจจัยโนนัตถิปัจจัยโนวิกตตปัจจัยทั้งหมดนี้กับปัจจัยสิบคือธิปติเหตุสหชาติอัญญมัญญานิตยะ อินทรียมัคคสัมปยุตตะอัติและวิกตะมีอย่างละสองวาระน า, ารมนามณปัจจัยกับปัจจัยก้าวคือที่ปฏิเหตุสหชาตะนิตย์อินทริยมัคคะวิปยุตตะอัติและอวิกตะมีสองวาระ น, านันตรปัจจัยนสมั น, นตรปัจจัยนอัญญามัญญาปัจจัยนอุปนิสตยปัจจัยนั ป, นย ป, จจยนปุเรชาตปัจจัย นปัจฉชาตัปัจใจนับอาเสวณปัจใจนับกรรมปัจใจนับวิปากปัจใจนับอาหารรับปัจจนับชาณปัจใจนับสัมปยุตตัปัจจัยโนนัตถิปัจใจโนวิกตปัจจัยทั้งหมดนี้กับปัจจัย9คือธิปติเหตุสชาตะนิสยาอินทรียะมคะวิปยุตตาอติไดวิกตะมีอย่างละสองวาระในวงเล็บอวิปากัดสาม นัอรัมณะปัจจัยกับปัจจัย9คือธิปติเหตุสหชาตะนิสยาวิปากะอินทริยมคะอธิและวิกตะมีหนึ่งวาระนัอนันตรปัจจัยนัจมันตระปัจจัยนัอัญญามัญญะปัจจัยนัอุปนิเตยปัจจัยนัปุเรชาตปัจจัยนัจชาชาตปัจจัย นัอเสวะปัจจัยนักรรมปัจจัยนัอาหารปัจจัยนัชาณัจจัยนสัมำปยุตตปัจจัยนัวิปยุตตปัจจัยโนนัติปัจจัยโนวิคตปัจจัยทั้งหมดนี้กับปัจจัยเก้าคือทิปติเหตุสหชาตะนิสยาวิปากาอินตริยมขะอติและวิคตะมีอย่างละหนึ่งวาระ นาอารามณปัจจัยกับปัจจัย11คือที่ปฏิเหตุสหชาตะอัญญมัญญนิสียวิปากอินตรียมัคคสัมปยุตตาอัติและอวิคตะมีหนึ่งวาระนาอนันตรปัจใจนาสัมันันตระปัจใจนาอุปนิสียปัจใจนาปุเรชาต์ปัจใจนาปัจฉาชาต์ปัจใจนาอาเสวนปัจจัยนากรรมมปัจจัย นัอาหารปัจจัยนัชานปัจจัยนัวิปยุตตาปัจจัยโนนัตติปัจจัยโนวิคตตปัจจัยทั้งหมดนี้กับปัจจัยสิบเอ็ดคือทิปติเหตุสหาชาติอัญญามัญญานิสียวิปากอินตรียมขะสัมปยุตตาอัตถิและอวิคตะมีอย่างละหนึ่งวาระ นอารามณปัจจัยกับปัจจัยสิบคือที่ปฏิเหตุสหชาตะนิสยวิปากาอินทริยมัคคาวิปยุตตาอติและอวิขตมีหนึ่งวาระนันตรปัจจัยนัจมนันตรปัจจัยนอัญญามัญญาปัจจัยนุปนิสยปัจจัยนัปุเรชาตปัจจัยนัปัจฉาชาตปัจจัยนัอาเสวนปัจจัยนักกรรมมปัจจัย นอาหารปัจจัยนัชานปัจจัยนสสมปยุตตปัจจัยโนนัตถิปัจจัยโนวิคตปัจจัยทั้งหมดนี้กับปัจจัยที่เบื้องต้นคือที่ปฏิเหตุสหาชาตะนิจญาวิปากะอินทรียะมัคควิปยุตตาอัติและอวิคตะมีอย่างละหนึ่งวาระในวงเล็บสวิปากษามัทิปติมูลกานัยจบ